ก่อารบูชาพระรัตนตรัยก่อกาบบูชาครูบ า, าจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก่อกาบนันสการพระายารนไพศาลประธานสงฆ์ก่อกาบนันสการพระเถรานุเทระครูบ า, าจารย์พันเตเพื่อนสาธมิกขอเจริญในธรรมแม่ชี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 จากที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเห็นว่าการเรียนรู้ชีวิตหรือธรรมะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้หลายวิธนะีวิธีแรกก็คือการที่เราได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ดนะีผู้ที่มีประสบาการณนะ์ได้ผ่านประสบาการณ์ต่างๆ น, ะนามาเล่าสู่กันฟัง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 รวมทั้งการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งด้วยภาษาที่เหมาะสมในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งสิ่งเหล่านี้ เ, นเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตำรับตำราเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เราเมีความศรัทธาและก็มี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 หนะ้าที่อาจจะเป็นความเชื่อที่เป็นสมเหตุสมผลนะแล้วก็ยังติดอยู่ตรงที่เร า, เาใช้ความคิดนะพิจารณานะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีนะก็ จ, จะทำให้เราหลงได้นะหลงเข้าใจว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะซึ่งตรงนี้นะก็อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะว่าเราเข้าใจแล้ว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 พรภาษารีบุตรก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดนะีท่านพ า, าสหายนะ200ร้กว่าคนนะไปข้าเฝ้าพระเจ้าได้ฟังธรรมนะเพื่อนๆท่านนีบรรลุพระลานหมดเลยแต่พระโมคคัลลานะและภาษารีบุตรไม่บรรลนะุอย่างต้องใช้เวลาหลังจากนั้นอีกก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมท่านก็มีปัญญามากนะทำไมท่านไม่ไม่บรรลุ หรืไม่เข้าใจคําว่าบรรลุในที่นี้หมายถึงบรลรลุพระอรหันต์นะนะตรงนี้ก็เพียงแต่สันนิษฐานนะจริงเท็จยังไงไม่ทราบก็เพียงแต่ว่าคงจะเป็นไปได้มั้งว่าคนที่มีปัญญามากอนาะจะเป็นคนที่ใช้ความคิดแนละไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะแล้วก็ใน อ, อจิตใจนั้นก็คงจะพิจารณาค่อควรนานพอสมควรนะซึ่งตรงนี้ก็นํามา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 นะขึ้นมานะแต่ว่าไม่รู้ความจริงนะที่เกิดขึ้นเมือนยังเคยมีคุณหมอวัฒนานะไปสอบถามหลวงพ่อเทียนนะว่าทําไมนะพระอ น, นุนเนี่ยอยู่กับพรทุทธเจ้านะแล้วทําไมยังไม่บรรลุธรรมนะหลวงพ่อเทียนก็ตอบว่าพระอ น, นุนรู้เรื่องของพทุทธเจ้าแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองนะพูดง่ายๆก็คือ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 ด้วยตัวเราเองเป็นประสบาการณ์ของเราเองนะก็อย่างที่เราม า, าฝึกนะปฏิบัติจเจริญสติกันนะที่วัดป่าสุกโตนะหรือบางทีก็เรียกว่าฝึกกรรมฐานบ้างนะฝึ ก, กจิตบ้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะระยะเวลาที่ผ่านมานะจะเป็นพระที่บวชนะบวชใหม่กด็ดีนะที่จะอยู่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 บางทีมันก็ทําให้การปฏิบัติของเราเนื่นช้านะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประสบาการณ์ที่ตัวกับผมได้มาเองนะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแตนะ่บางทีเราไปเทียบเคียงว่าเอ๊ะอันี้ใช่ไหมไอันั้นใช่ไหมนะก็คือยังมีเอเออาอยู่ในใจนะก็ยังเป็นการใช้ความคิดนะที่จะเรียนรู้ความจริงการเรียนรู้ความจริงของชีวิตของกายของใจเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะ มันตรงไปตรงมานะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัว เ, นะเป็นตัวที่จะเรียนรู้นะซึ่งหลวงพ่อคำเขียนนะท่านก็พูดไวด้ดนะีว่าให้เอากายเอาใจ เ, เป็นตำรานะอ่านกายอ่านใจอ่านตำราเล่มใหญ่ก็คือกายใจด้วยความรู้สึกตัวนะเอาความรู้สึกตัว เ, เป็นตา ในะที่จะอ่านตำราเล่มนีนะ้เราอ่านตำราข้างนอกนาะจากหนังสือต่างๆก็ได้ความรู้ได้ปัญญาจดจําได้พิจารณาค่อยควรแต่ถ้าเราใช้ความรู้สตัวที่เราฝึกกันเนี่ยเป็นตาอ่านกายอ่านใจตรงนี้เนี่ยจะเป็นตําราเล่มใหญ่และเป็นตําราที่แสดงความจริงให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน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 ในกิจวัตรประจํย า, ยาวันต่างๆตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ความรู้สึกตัวของเราชัดเจนขึ้นตาในเนี่ยมันเปิดขึ้นกว้างขึ้นเมื่อตาในเปิดขึ้นแล้วปรากฏอาการอาการต่างๆของกายของใจที่เขาแสดงตามปกติของเขาตามธรรมชาติของเขาเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้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 แต่ก่อนเนี่ยเมื่อเราไม่ได้มาเรียนรู้เราไม่ได้มาดูตรงนี้เนี่ยพอเราปวดเราเมื่อยเนี่ยเราก็จะเกิดความทุกข์ทางกายนี่ความทุกข์แน่นอนแล้วแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาด้วยก็คือความรู้สึกหงุดหงิดความกังวลอะไรต่างๆเกิดขึ้ น, นเนื่องจากการเจ็บปวดนี้นเรียกว่าใจมันเข้าไปรับรู้แล้วมันก็ไปปรุงแต่งต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยถ้าเราไม่รู้เท่าทั น, นเราก็จะเป็นทุกข์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 คิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็เรียนรู้ได้นะนอกจากอาก า, อาการทางกายนะอาการทางใจนะที่แสดงออกมาในรูปของความคิดนะความคิดเนี่ยสารพัดเลยนะเขาเรียกว่าร้อยแปดันเก้ากิเลสันห้าตัณหาร้อยปดนะสารพัดความคิดนี่บางทีเราไม่รู้ทันนะก็หลอกเราได้นะหลอกให้เราสุข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 ใจมันก็จะฟูฟูแฟบแฟบนะมันไม่เป็นปกตินะเสียความเป็นปกติไปเพราะฉะนั้นชีวิตที่แท้จริงชีวิตดั้งเดิมนะของเรานั้นคือความเป็นปกตินะอย่างที่เรานั่งฟังทำกันอยู่ตอนนี้นะถ้าเราไม่งกง่วงเรามีความรู้ตื่นนะเราก็จะสัมผัสความเป็นปกติของใจนะซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานนะของคนเราทุกคน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 เราก็เพียงแต่วางใจของเรารับรู้ความเป็นจริงเมื่อรับรู้ความเป็นจริงใจมันจะเป็นกลางเองมันจะเป็นปกติของมันเองเราไม่ได้ไปสร้างเราไม่ได้ไปทำเราไม่ได้ไปประคองแต่มันเป็นของมันเองโดยการที่เราทำเหตุถูกการทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานที่จะเห็นความจริงตรงนี้เนี่ย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 ความที่เราไม่ได้ใส่ใจหรือความที่เราคิดมากเกินไปนะดยเฉพาะคนที่เรียนหนังสือมามากๆเนี่ยใช้ความคิดมากสักจธรรมความจริงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ต้องไปใช้ความคิดเลยใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยซึ่งเป็นตาเนี่ยดูตรง ๆ, ๆเลยที่หลวงพระเทียนท่านชอบใช้คำว่ารู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อก็คือรู้ตรงๆ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 น่ามีความใส่ใจน่าที่จะมีความรู้สึกตัวได้บ่อยๆอย่างไรก็ตามนะอย่าตั้งใจมากเกินไปให้สังเกตดูกายใจเนี่ยก็จะส่งสัญญาณบอกเราอยู่เรื่อยๆเราฝึกปฏิบัติไปเนี่ยถ้ามันมึนๆหนักๆจะแสดงว่าเราตั้งใจกันไปละเราเพ่งกันไปละเราอยากให้มันเกิดเราอยากให้มันเป็นตรงนี้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 ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออนุโมทนาในาความตั้งใจของทุกท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนะด้วยการเรียนรู้นี้นะคงจะทําให้ทุกท่านนะได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจก่อให้เกิดสันติสุขนะขึ้นในใจและก็ก่อให้เกิดสันติภาพนะแก่สังคมแก่ประเทศชาติและแก่โลกต่อไป จเจริญพร